าสาวสาวสะอาดเธอตั้งเป็นมองข้ามไปยืนแกวอยู่แถวแถวรั้วรามรอจีบสาวหามไปต้ตนข้ทิน้นรกเส้นไปเจอคนงามสาวสาวราาไม่ค่อยว่า เกาะรัวโดมจ้าจ้าทามาซาซ า, าวเขาก็เมินน่าฉันเห็นเธอสาแล้วฉันสงสารเห็นกเกษตรสาวสาวไม่ข้าวนวน่ารักนุ